ความลำพองก็ดียกตนขมผู้อื่นก็ดีเป็นอกุศลอย่างนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานแล้วเกิดราคะคือติดใจในฌานนั้นบางคนเจริญเมตตาเพียนตั้งความปรารถนาดีมองคนในแง่ดีบางทีประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาเมตตานั้นเลยให้ช่อง ช่วยให้ราคาเกิดขึ้นโดยง่ายแล้วอาจตามมาด้วยอกุศลธรรมอื่นอีกเช่นฉันทาคติเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลศรัทธาเป็นกุศลธรรมทำให้จิตใจผ่องใสและมีกำลังพุ่งแล่นแนวไปแต่เมื่อปฏิบัติต่อศรัทธานั้นไม่แยบคายก็อาจกลายเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิละมานะ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 เกิดความเข้าใจในคําเตือนของพ่อแม่และซาบซึ้งต่อความปรารถนาดีของท่านเป็นเหตุให้ยิ่งเสียใจประดังโกรธเกลียดชังตัวเองจุดนี้น ก, ก, น ก, ออกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเมื่อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนั้นขณะที่กุศลเกิดจิตมีสุขภาพดีขณะที่อกุศลเกิด จิตใจเสียหายคุณคล้องสภาพจิต ด, ดีไม่ดีเช่นนี้อาจเกิดสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วจึงต้องรู้จักแยกออกเป็นแต่ละขณะขณะอย่างไรก็ตามเรื่องกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่การนี้ได้กล่าวในที่อื่นบ้างแล้วจึงแสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ ข้อคุณทราบข้อพิเศษที่สองบุญและบาปกับกุศลและอกุศลบุญและบาปกับกุศลและอกุศลบางทีใช้แทนกันได้บางทีใช้แทนกันไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความสับสนว่าความหมายของธรรมะสองคู่นี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในที่นี้มีใจโอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้โดยตรง จึงจะกล่าวไว้พอเป็นแนวทางความเข้าใจบุญมีความหมายตามรูปศับที่ท่านนิยมแสดงกันไว้สองอย่างคือเครื่องชำระสันดานคือชำระพื้นจิตใจให้สะอาดและว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลคือพบที่น่าชื่นชมนอกจากนี้บางแห่งยังแสดงความหมายอื่นไว้อีกว่า สิ่งที่นำมาซึ่งความน่าบูชาแล้วว่าสิ่งที่ยังอัธยาศัยคือความประสงค์ของผู้กระทาให้บริบูรณ์ส่วนบาปมักแปลตามรูปรัพท์ว่าสิ่งที่ทำให้ถึงวัตทุหรือสิ่งที่ทำให้ถึงทุกขติซึ่งเท่ากับสิ่งที่ทำให้ตกไปในที่ชั่วคำแปลสามัญของบาป คือลามกหมายถึงต่ำรามหรือเลวบางครั้งใช้เป็นคำวิเศษของวิบากแปลว่าทุกหรืออนิจคือไม่น่าปรารถนาก็ได้ที่กล่าวมานั้นเป็นความหมายที่นักศัพทศาสตร์หรือนักภาษาแสดงไว้ซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นจึงควรทราบความหมายในแง่ของหลักธรรมแท้ๆด้วย เมื่อว่าด้วยความหมายอย่างกว้างที่สุดบุญมีความหมายเท่ากับกุศลบาปก็มีความหมายเท่ากับอกุศลแต่ในการใช้จริงบุญและบาปมักปรากฏในความหมายที่จงกัดแคบและจำเพาะแน่มากกว่ากุศลและอกุศลกล่าวได้ว่าบาปใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลมากกว่าที่บุญใช้ในความหมายเท่ากับกุศล แต่ที่ปรากฏบ่อยก็คือกุศลใช้ในความหมายเท่ากับบุญความที่ว่านี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาต่อไปบาปที่ท่านใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลแห่งสำคัญคือในสัมมารประธานสี่ข้อหนึ่งและข้อสองซึ่งบาปมากับอกุศลธรรมดังที่ว่าเพียนป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด และเพียรละบาปอากุศลธรรมที่เกิดแล้วแต่ในข้อสามและข้อสี่บุญไม่ได้มากับกุศลธรรมด้วยกล่าวถึงแต่กุศลธรรมดังที่ว่าเพียรเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมหายหากให้เพิ่มขึ้นไปจนภัยบุญพูดอย่างสรุปความสั้นๆว่า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 คำนี้พบในอัธกถาแห่งหนึ่งและในดีกาที่อธิบายต่อจากอัถกฐานั้นเท่านั้นมีบาลีหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโอปัติกบุญคือบุญที่อํานวยผลแก่เบญจขันธ์ซึ่งได้แก่บุญที่เป็นโลกียะส่อความว่าน่าจะมีอนุปัติกบุญหรือนิรูประทิบุญที่เป็นโลกุจระเป็นคู่กัน แต่ก็ไม่ได้ปรากฏมีชื่ออนุปฏิกบุญหรือนิรุปปทิบุญในที่ใดเลยตรงกันข้ามแทนที่จะมีอนุปฏิกบุญหรือนิรุปปทิบุญมาเข้าคู่เข้าชุดกับโอปทิกบุญกับกลายเป็นว่าในพระบาลีแห่งหนึ่งของพระสูตรเดียวกันมีนิรุปปะที่กุศลคือกุศลที่เป็นโลกุตระมากับโอปทิกบุญบุญที่เป็นโลกิยะ ขอยกมาให้ดูดังนี้ท่านจงทำให้มากทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจซึ่งนิรูปะที่กุศลอันประมาณมิได้แต่นั้นรันทําโอปะทิกบุญให้มากด้วยทานแล้วท่านจงบาเพ็ญธรรมทานชักจูงแม่คนอื่นๆให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมในพรหมจรรย์ เป็นอันว่าเมื่อมองดูโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นว่าคำว่าบุญนั้นท่านใช้ในความหมายของโอปปติกะบุญนั่นเองคือถึงจะไม่ได้เขียนคำว่าอปปติกะกัากับไว้แต่ก็มีความหมายเท่ากับเขียนโอปปติกะอยู่ด้วยหมายความว่าตรงกับโลกิยากุลนั่นเองข้อนี้เท่ากับพูดว่าคำว่าบุญที่ใช้ทั่วไป มีความหมายอยู่เพียงขั้นโลกียะเท่ากับโลกยะกุศลหรือกุศลขั้นโลกีบุญจึงเท่ากับเป็นความหมายส่วนหนึ่งของกุศลไม่ครอบคลุมเท่ากับกุศลซึ่งมีโลกุตระกุศลด้วยและอัตตกฐาน้อยแห่งเลิเกินจะไขความบุญว่าเท่ากับกุศลทั้งหมด พระอัฏฐกถาาจารย์ท่านสังเกตการใช้คำว่าบุญและแสดงความหมายไว้ให้เห็นแง่ด้านที่ละเอียดลงไปอีกดังในคำพีปรมัตถทธธีปณีอัฏฐกถาอิติอุตตะกะแสดงความหมายของคำว่าบุญไว้ห้าอย่างคือหนึ่งหมายถึงผลบุญหรือผลของกุศลหรือผลของความดีเช่นในข้อความว่า เพราะการสมารทานกุศลละธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญย่อมเจริญเพิ่มพูน2หมายถึงความประพฤติสุดจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจรเช่นในคำว่าคนตกอยู่ในอวิชชาหากกรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญคือปุญญาพิสังขาร 3. หมายถึงพบที่เกิดซึ่งเป็นสุขติพิเศษเช่นในคำว่าวิญญาณที่เข้าถึงบุญสหมายถึงกุศลเจตนาเช่นในคำว่าบุญกิริยาวัตถุคือเท่ากับกุศลกรรมห้า หมายถึงกุศ ล, ลกรรมในภูมิสามเช่นในคำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยข้อนี้ตรงกับคำว่าโลกิยากุศลนั่นเองพึงเข้าใจเพิ่มเติมว่าบุญเป็นโลกิยะเว้นแต่จะมีคำระบุ ก, กำกับไว้เป็นอย่างอื่นเช่นว่าโลกุจระบุญ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 กุศลมีทั้งโลกิยะและโลกุตระบาปแลกุศลเป็นโลกิยะทั้งสิ้นทั้งนี้ได้ในคำว่าไม่ติดในบุญและในบาปหรือลาบุญละบาปลอยบุญ ล, ลอยบาปได้แล้วซึ่งเป็นลักษณะจิตของพระอระหันต์พึงสังเกตด้วยว่า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 จึงหมายความว่าในกรณีเช่นนี้คำว่ากุศลถูกใช้ในความหมายแคบลงเท่ากับบุญคือเป็นเพียงโลกิยะกุศลเท่านั้นลักษณะ ส, สำคัญของโลกิยะกุศลหรือบุญนี้ก็คือการที่ยังเกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอามิ t ไม่ใช่เรื่องของความหลุดพ้นเป็นอิสระหรือการทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิง กุศลมากับบุญมีความหมายเท่ากับบุญเช่นในคําว่าปุญญาพิสันทากุสลาพิสันทาเขาคิดว่าจะทําบุญกลับไพรไปทําอาบุญคิดว่าจะทํากุศลกลับไพรไปทําอากุศลพึงสังเกตนิรูปะที่กุศลมากับโอปะทิกะบุญในอุตตกานิกายอิติอุตตการดังที่กล่าวแล้วด้วย ตัวอย่างเสริมความที่กล่าวแล้วมีเป็นอันมากเช่นในบาลีเมื่อกล่าวถึงภิกษุคิจลาสิกขามักกล่าวว่าจะศึกไปกินใช้พกกรัพและทำบุญทั้งหลายและชีวิตชาวบ้านที่ดีก็ถือกันว่าได้แก่ชีวิตเช่นนั้นคำว่าบุญในกรณีเช่นนี้ก็หมายถึงการทำความดีต่างๆเช่นเผื่อแผ่แบ่งปันให้ทานประพฤติดีมีศีลเป็นต้น ตรงกับคำว่ากุศ ล, ลกรรมหรือในข้อความว่าบุญมีอุปการะแม้แก่ผู้เป็นเทพแม้แก่ผู้เป็นมนุษย์แม้แก่บรรพชิตก็มีความหมายทำนองเดียวกันส่วนในพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่น่าปรารถนาของกุศลกรรมคือการทําความดี หรือในคำว่าตายเพราะสิ้นบุญคือบุ ญ, ญไยไคมรณะก็หมายถึงหมดผลบุญหรือสิ้นวิบากของกุศ ล, ลกรรมที่ปรุงแต่งกําเนิดนั้นนั่นเองความหมายของคำว่าธรรมะที่เท่ากับบุญก็คือความหมายในแง่ที่สัมพันธ์กับการไปสวรรค์เช่นเดียวกับที่อาธรรมเท่ากับบาปในความหมายที่สัมพันธ์กับการไปนรก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 ก็มักใช้ในกรณีที่ให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความหมายแง่ต่างๆของบุญโดยในยะนี้กุศลใช้ในแง่การกระทำคือกรรมก็ได้มองลึกลงไปถึงตัวสภาวะธรรมก็ได้ส่วนบุญมักเล่งแต่ในแง่กรรมคือการกระทำดังนั้นคำว่ากุศลกรรมก็ดีกุศลธรรมก็ดี จึงเป็นคำสามัญแต่สำหรับบุญเราพูดได้ว่าบุญกรรมคือกรรมที่เป็นบุญไม่ใช่บุญละกรรมถ้าพูดว่าบุญธรรมจะแปลกหูและไม่รู้สึกเป็นคำศัพท์ทางธรรมะส่วนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลลกรรมอกุศลลธรรมบาปกรรมและบาปธรรม ในแง่ที่พิเศษบุญหมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศ ล, ลกรรมแม้ในกรณีที่ไม่ได้หมายถึงผลหรือวิบากโดยตรงบุญก็ใช้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับผลหรือให้เกิดความรู้สึกเพ่งเลงถึงผลตอบสนองภายนอกหรือผลที่เป็นอามิ t h เฉพาะอย่างยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีๆ ด, ด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นการใช้คําว่าบุญ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 ขยายคำว่าอากุศลและบุญในคำว่าบุญญาพิสังขารซึ่งมีความหมายตามที่บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะและในอัธกถาอภิธรรมท่านใช้บุญกิริยาวัตถุสิบอธิบายเรื่องกามาวาจรา ก, กุศลจิต